กอนหยดภาค <2 S 2> สองเ<อ><อ>ทพธิดาทะเลใ <ดา S 1> ต้ตอนที่แปดณานไลการเวลาสำนักไตบุกผาเราสิ์ของสำนักต่างเซ็งแซ่ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยมิอาจไขปริศนาที่ท่านมังกรที่วาบอกไว้ก่อนจากไปสิบพี่เกิดอะไรขึ้นทำไมท่านมังกรที่วาจึงทอดทิ้งพวกเราขึ้นสู่งโงไทยสัว และมอบคำพีดวิเศษใตวิสุทธิเทพทิดาทะเลใต้ที่พวกเราไม่รู้จักเลยข้าก็สับสนยิ่งหนักท่านผู้เท่าเกรเลียนขาวผู้เป็นสหายสนิทกับท่านมังกรทีวาและท่านผู้เท่าประหลาดพอจะแก้ไขปัญหานี้แก่พวกเราได้หรือไม่มิทันที่ผู้เท่ากรเลียนขาวจะเอ้ยเอื้อนวาจาใดพลันปากล่ง ชายชะกันมีจมูกแหลมดังเยี่ยวทยานเข้าหาเทพธิดาทะเลใต้หมายชิงคำพีในมือนางบวงบูและบ่วงบุญสองสิทธิเอกเข้าสกัดได้ทันเพียงหนึ่งฝ่ามือช้าก่อนทัานจอมยุดธ์ใหท่านต้องช่วงชิงคำพียุทธเหล่านี้เล่าดูฝีมือแล้วมีวิชาดุดดังเจ้าสำนักไต้ผูผามีทราบว่าท่านคือสิทธิของสานักนี้หรือไม่ ทำไมไม่เคารพคําสั่งท่านมังกรที่ว่าผู้เป็นเจ้าสํานักช่างไรมารยาทสิ้นดีฮ่าฮ่ผู้ใดเป็นสิทธิข้าคือทวนตะวันผู้โด่งดังสถานพบคัมภียุทดทั่วล่าย่อมคือข้าผู้เป็นเจ้าของของวิเศษในล่าข้าย่อมต้องได้ครอบครองแต่ผู้เดียวจงส่งมอบคมภีไตวิสุทิให้ข้าเดี๋ยวนี้พลันกล่าวจบ สวนตะวันก็เข้าจู่โจมเทพธิดาทะเลใต้ทันทีนางริวกายหลบพร้อมถอดสร้อยประกรมแก้วสามสีกว้างสู่อากาศบังเกิดเป็นแสงเจิดจ้าทั่วท้องฝ่ามีลูกแก้วนับหมื่นตกลงมาลาวหาฝนสู่บริเวณนั้นสวนตะวันเห็นเช่นนั้นจึงพิสดารกายลบเหลาลูกแก้วนั้นอย่างชุนละมุนท้องฟ้าเมื่อคลึ้มคล้ายกดต่ำลงมาไม่เห็นจวนตัว ควรจะวันจึงควางแก้วเข็มทองอาวุธวิเศษของท่านมังกรที่หวาที่ตนเคยขโมยไปเมื่อครั้งที่ฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านมังเกิดเป็นเข็มทองวิ่งออกมามากมายปะทะกับลูกแก้วสามสีเสียงดังสนั่นวันไหวสถานทั่วไปบริเวณเทพธิดาทะเลใต้จึงปล่อยบัวชมพูพันกล็ดออกจากฝ่ามือราวเนลามิต เก็บกินละลายทั้งลูกแก้วและเข็มทองจนสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษอีกต่อไปน ก, การลานไลยการเวลาบัดนี้เงียบกลิบบวงบุและบวงบุญเห็นจังหวะเหมาะจึงรี่เข้าหมายจับทวนตะวันมิคาดคิดทวนตะวันยังมิเลิกรากลับใช้พลังนิ้วของกงเล็บโลหิตซึ่งเป็นวิชาฝ่ายมานเข้าตะปบ บิดกระชากแขนขาของสิทเอกทั้งสองอย่างไร้ลามีผูเท่ากรเรียนขาวเห็นเหตุการณ์พลิกผันดังนั้นจึงใช้ฝ่ามืออยู่ไลเข้าสกัดทวนตะวันถึงกับกระอักโลหิตล้มละทวยอ่อนกำลังลงทันทีทุกผู้คนณลานไล้การเวลาล้วนชมดูจนตะลึงลานสิทธิ์ทั้งสี่แห่งสำนักไตบุผา ร่วมกันประกอบกายรวมท่ารมเห็นจําคิดรู้ขึ้นเป็นกลางสดานนลมิตรครอบทวนตะวันไว้ภายในทวนตะวันบัดนี้นอนจมกองเลือดดุดดินเหลวกองหนึ่งข้อทวนตะวันหมายเป็นหนึ่งในยุทธภ พ, พกล้ากระทําทุกสิ่งมีเกรงกลัวอาญาฟาดินวันนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าฟาดินย่อมประกาศสิท ข้ามีอาจฝืนฟ้าฝืนดินอีกต่อไปเทพธิดาทะเลตายบัดนี้ได้เอ่ยขึ้นดุดเสียงทิพว่าท่านทวนตะวันท่านเที่ยวกล่าวหาผู้คนในยุทธภพว่าเป็นมานท่านแจ้งประจักษ์แล้วหรือยังว่ามานที่แท้จริงอยู่ที่ใดมันคือจิตของเจ้าเองผู้ไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักเพียงขอหาใช่ใครอื่นไม่ วิชาใดในโลกที่ประเสริฐสุดล้วนต้องตัดความทยานอยากมีสติมั่นคงจึงสามารถรวมเป็นเอกธาตุที่ยิ่งใหญ่เราสิทธิ์ทั้งหลายต่างกาวสาธุการขึ้นพร้อมกันสาทุสาทุสาทุพวกเราล้วนเข้าใจแล้วว่า ทำไมฟ้าจึงเลือกท่านเป็นประมุกสืบต่อเจ้าสำนักไตบุปผาและเป็นผู้ครอบครองคำภีไตวิสุทธ์พวกเราทั้งหลายขอคารวะท่านเจ้าสำนักไตบุปผาท่านเทพธิดาทะเลตายชีวิตคนในโลกล้วนเต็มไปด้วยความดีใจเสียใจโกรธและสบายใจเศร้าใจจากกันพอใจพบกัน เป็นการสุกฝนเหล่าจอมยุทธ์ขจัดความอยากได้ที่ไม่มีหยุดการจู่โจมของอุปสรรให้มันปลุกให้พวกเจ้าตื่นให้พวกเจ้าจะรู้จักตนเองหนทางที่คนเดินเป็นหนทางแคบๆที่ได้อิ่มท้องให้พอใจกับกามตัญหาและสิ่งนี้เองเป็นเครื่องสร้างปุถุชนไก่เนี่ขอให้พวกเจ้ามองการไก่มีความคิดสร้างสรรค์ ฝึกใจฝึกฝนคำพีไตวิสุทธ่ข้าจะถ่ายทอดให้แก่ทุกคนเพราะเป็นทางอันเจิดจรัสเพื่อเดินสู่เส้นทางอริยะทางสายใหญ่ที่มีความมหัศจรรย์ขนานับและท่านมังกรทหวาได้ล่วงหน้าไปรอพวกเจ้าอยู่ณเบญจคิริพุทก่อนที่จะชุมนุมกันในงานกัลปพฤกษแดนิพานลงหัวหวย วันรุ่งขึ้นสำนักไต้บุปผาได้จัดงานต้อนรับเจ้าสำนักไต้บุปผาคนใหม่เราสิทธิ์ทั้งหลายมีสีหน้ายินดียิ่งนักเราจอมยุทธ์ทั่วล่าพอทราบข่าวนี้ต่างรีบเดินทางมาแสดงความยินดีต่อท่านเทพธิดาทะเลใต้ผู้ซึ่งบัตนีได้เป็นเจ้าสำนักไต้บุปผาไปแล้วบนท้องถนนคึกคักด้วยเราผู้คนมาชุมนุม การค้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวเล่าสาคึกคักกว่าเดิมหลายเท่าใช่เป็นเพราะผู้คนหิวโหวยแต่เป็นเพราะผู้คนคิดรับประทานเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการสืบเสาะข่าวของสำนักไต้บุปผาและความเคลื่อนไหวต่อไปแห่งเทพธิดาทะเลตายทุกผู้คนล้วนกล่าวถามประวัติที่มาและความเก่งกาสามารถของนางว่ามีมาเป็นเช่นไร ปากไวเอาเฮียเลงตื่นเต้นกว่าปกติทุกวันเพราะมันพอรู้ประวัติของนางเล็กน้อยด้วยเคยใกล้ชิดกับผู้เท่าประหลาดแห่งถ้ำวัวแดงมิทราบหรือนางมาจากสันตะเคีร์บันพ์บำเพ็ญตรรอย่างเอกุจนสำเร็จคุณธรรมห้าประการเมตตาซื่อสัตย์มารยาท ปัญญาและสัจจจัดขึ้นเป็นเจ้าสำนักศิลาทักษิณเรื่องลือย่างมากทางแดนใต้ผู้คนล้วงเกงขามในคุณธรรมของนางชาวบ้านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขด้วยความเมตตาแห่งนางแล้วที่มาแห่งสร้อยประคำแก้วสามสีและบัวชมพูอาวุธลับของนางมีที่มาเป็นเช่นไรโปรดติดตามตอนต่อไป